มัชชิมานิกายพัทเทกรัตรตตะสูตรผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเล่มที่14ข้อที่ห้าิมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระพิหารเชตวันอารามของท่านนาตะบินทิกเศรษฐีในเขต พระนักร่อนสาถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่พวกเจตทั้งหลายและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบดังนี้ว่าบุคคลไม่ควรกำหน่งถึง สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในทำรรนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่ปรงเดิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ลหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพียญกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติ อยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและ ว, ว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญปีสุดั้งหลายก็บุคคลย่อมคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือเขารำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นนั้นว่าเราได้มี รูปอย่างนี้เราได้มีเวทนาสัญญาและสังขารอย่างนี้อย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วปีศาจต่อไลอย่างนี้แหละชื่อว่าคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วปีศาจต่อไลก็บุคคลจะไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือเขาไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลิน ในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเราได้มีเวทนาอย่างนี้ได้มีสัญญาสังขารหรือวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมมุ่งหวัง สิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขารำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการนาคตรำพึงเพลิดเพลินว่าขอเราพึงมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการนาคต ภิสุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงพิสุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขาไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นนั้นว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการนาคต เขาไม่รำพึงเพลิดเพลินว่าขอให้มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการอนาคตภิกษุทัณฑ์ลายอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงภิกษุตัณฑ์ลายก็บุคคลย่อมงอเงี้ยนในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไร คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระเรียเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระเรียเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุต ร, รไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บุต ร, รไม่ได้รับคำแนะนำของสัตว์บุต ร, รเขาย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างเล็งเห็นว่าตนมีรูปบ้างเล็งเห็น รูปในตนบ้างเล็งเห็นตนในรูปบ้างเขาย่อมเล็งเห็นเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างเล็งเห็นว่าตนมีเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณบ้างเล็งเห็นเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในตนบ้างเล็งเห็นตนในเวทนาสัญญาสังการ และวิญญาณบางผิกสุทั้งหลายผู้เล็งเห็นความเป็นตัวตนอย่างนี้แหละชื่อว่างอนเงนในธรรมปัจจุบันก็บุคคลย่อมไม่งอนเงนในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกผู้ได้สดับในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมะ ของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสัจบุรุษฉลาดในธรรมของสัจบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัจบรุษเขาย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่เล <net> ็งเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในตนบ้าง ไม่เล็งเห็นตนในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในตนบ้างย่อมไม่เล็งเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในตนบ้างไม่เล็งเห็นตน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 และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นเนืองๆให้ปโปร่ปรงเติดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาย ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรตกร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ อีกส่วนต่อหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เต์ทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษีนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษีของพระผู้มีพระภาคแหละเรื่อง บุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหรือพัฒเทกรัตตสูตรจบประสูตรที่สองผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวโดยท่านบรานนมัชิมานิกายเล่มที่ส4ข้อที่ส3 4ร้สาก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวัน รามของตัณ น, นาทะวินทิกาเศรษฐีในเขตปรตกรสาวธีสวัยนั่นแลท่านพระอนน์สนทนากับภิกษุทั้งหลายในอุปอัฏฐานศาลาชักชวนให้อาถาราเริงด้วยคะถาอันประกอบด้วยธรรมและกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังอุปัฏฐานาศาลาแล้วจึงประทับนั่งนะอาสนะที่เขาแต่งไว้แล้วเมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงตรัสตามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอแลสนทนากับพวกภิกษุ ในอุปฐานาศาลาชักชวนให้อาจหารร่าเริงด้วยคาถาอันประกอบด้วยธรรมกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญพิสุรนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอนนท์พระเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอนนท์อย่างนี้ว่า อนนท์เธอสนทนากับพิษุทั้งหลายชักชวนให้อาถานร่าเริงด้วยธรรมกถาอันประกอบด้วยธรรมกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนั้นเธอกล่าวอย่างไรท่านพระอนท์กลัาถูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สนทนากับพิษุทั้งหลายชักชวนให้อาถาน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 อย่างที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำแล้วจะได้ตรัสต่อไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สนทนากับภิกษุทั้งหลายชักชวนให้อานหารร่าเริงด้วยธรรมิกาถากล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอย่างนี้แหละพระชะ้าาในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า สาธุสาธุอานนท์เธอสนทนากับพิกสุทั้งหลายชักชวนให้อานหนารร่ราเริงด้วยธรรมิกถาของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดังนี้นั้นถูกต้องแล้วและได้ทรงขยายความอย่างที่ได้ทรงทำในพระสูตรก่อนเมื่อปราผู้มีประภาตราภาษิตนี้แล้วท่านบรานน ก็ได้ชื่นชมยินดีในปราศิของพระผู้มีพระภาคแลเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวโดยท่านพระอนุนคืออานันทะพัเทรัตตสูตรจบในพระสูตรที่สเรื่องผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่ขยายความโดยพระมาหากัจจานะหรือมหากัจจานะพัเทกรัรตตสูตร มัจจิมานิกายเล่มที่14ข้อที่ห้าสในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บราวิหารตาโปทารามในเขตพระนครราชกฤตครั้นนั้นแลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นในยามสุดท้า ย, ยาราตรีเข้าไปยังสะตาโปทะ เพื่อสงสนานร่างกายกรันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลับขึ้นมานุ่งสบงพื้นเดียวยื่นผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นหลวงปตมยามไปแล้วมีเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องสะตบโปทะให้สว่างทั่วไปหมดได้เข้าไปหาท่านพราศมิิร ยังที่ที่ยืนอยู่นั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุท่านทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้หรือไม่พระสมิธีกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวดาท่านภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจาไม่ได้ และท่านทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้หรือไม่พระสมิติท่านผู้มีอายุเราก็ทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวดาท่านภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้แต่ขอท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิพัง ของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าว ด, ดังนี้แล้วก็อันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองครั้นนั้นแลท่านพระสมิทธิพอล่วงราตรีนั้นไปจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งนั่ที่ควรข้างหนึ่งจึงได้กราบทูล เรื่องราวนั้นกับพระผู้มีพระภาคแะได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไป คือบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาดังนี้แล้วก็ได้ลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังวิหารกรันปราผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานพิสูจน์เหล่านั้นจึงมีข้อปรึกษากันอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอยอยู่ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่พวกเราว่าบุคคลไม่ควรกำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นและไม่ได้ทรงจาแนกเนื้อความโดยในรายละเอียดคือโดยพิสดารก็ใครหนอแลจะพึงจาแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้ได้พิสดาร ก็ในรายเอียดได้เรานั่นและพิสุลรนั้นจึงมีความคิดกันอย่างนี้ว่าก็ท่านพระมหากัจจานะนี่แหละอันพระาศาสดาและภิกษุผู้ร่วมประพฤติปรมจรรย์ผู้เป็นบินยูชนได้ยกย่องสรรเสริญแล้วก็ท่านพระมหากัจจานะพอจะจําแนกเนื้อความของพระผู้มีพระภาคนี้ให้พิสดารได้ ถ้าใครพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านเถิดต่อจากนั้นพิกสุ่านั้นจะได้เข้าไปหาท่านพระมหากจานะได้ทักทายปรสาสัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่กวนข้างหนึ่งได้เล่าเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอุเทศโดยย่อของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญก็ได้กล่าวต่อไปว่าท่านกัจจานะพวกกระผมนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระมหากัจจานะนี่แหละอันพระาศาสดาและภิกษุผู้ร่วมประพฤติปรมจันผู้เป็นบินยุชนได้ยกย่องสรรเสริญแล้วขอท่านพระมหากัจจานะ โปรดจำแนกเนื้อความเถิดท่านพระมหาการนะจึงได้กล่ า, าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ซาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่พึงสำคัญแก่นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ว่าควรหาได้ที่กิ่งและใบละเลยรากและลำต้นเสีย ฉันใดข้ออุปมายนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่พร้อมหน้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านพากันสำคัญเนื้อความนั้นว่าพึงสอบถามเราได้ล่วงเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็น ทรงมีจักรสุมียานมีธรรมมีความประเสรศิฐตรัสบอกนำออกซึ่งประโยชน์ประธานอมตะธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมะทรงดำเนินตามนั้นและก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่ท่านทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกท่านอย่างไร พวกท่านก็พึงทรงจําไว้อย่างนั้นเถิดพิ่สุธนายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านกัจจานะแท้จริงพระผู้มีพระภาคย่อมเป็นผู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงมีจกักษุมีญาณมีธรรมเป็นต้นและก็เป็นการสมควรแก่พกระองค์แล้วที่พวกกระผมจะพึงสอบตามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกกระผมอย่างไร พกกรผมพึงทรงจำได้อย่างนั้นแต่ว่าท่านพระมหากจานะอันพระาศาสดาและผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินโยชนก็ได้ยกย่องสรรเสริญแล้วและท่านพอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคแสดงโดยยอด่อนี้ให้ได้โดยพิสดารขอท่านพระมหากจานะอย่าทาความหนักใจ โปรดจำแนกเนื้อความเถิดผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปผู้มีอายุตั้งหลายข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่ อ, อว่าบุคคลไม่ควรกำเนึดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นนี้ข้าพระเจ้าทราบเนื้อความโดยพิสดาร คือโดยในรายละเอียดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุตั้งหลายก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อย่างไรคือมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันาราคะในตาและในรูปมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันดราคะในเสียงและในหูมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันาราะะคาราราะ ในกลิ่นและในจมูกในรสและในลิ้นในผวดตาและในกายมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันาราคะในธรรมารมและในมโนว่ามโนของเราได้เป็นอย่างนี้ธรรมารมได้เป็นอย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันดานั้นจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านบุญอยู่ทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็บุคคลไม่มุ่งวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขาไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอตาและรูปพึงเป็นอย่างนี้ ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอหูและเสียงขอกลิ่นและจมูกขอรสและลิ้นขอกายและโผฏฐัพขอมโนโลและธรรมารมณ์พึ่งเป็นดังนี้ในการนาคตเพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัยจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่เพลิดเพลิน เชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงพันปุหมิยายอยู่ตั้งหลายก็บุคคลย่อมงอนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันาราคะในอายตนะทั้งภายในและภายนอกที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเพราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันดาราคะจึงเพลิดเพลินในตาและรูป ในเสียงและหูในกลิ่นและจมูกในรสและลิ้นในปวดตาบันและกายในธรรมรมและใจทั้งหลายเหล่านั้นอย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันแหละราความรู้สึกนื่ด้วยชันดาราคะจึงเพลิดเพลินในอยตนาทั้งหลายเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่างอนเง่นในธรรมปัจจุบัน ท่นผู้มีอยู่ทั้งหลายก็บุคคลย่อมไม่งอนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันตาราคะในตาและรูปในหูและเสียงมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันตาในจมูกและกลิ่นมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันตาในลิ้นและรสในกายและโภธภัก มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะในใจคือมโนและธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันตาราคะจึงไม่เพลิดเพลินในอยนายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินจึงชื่อว่าไม่งอนแง่นในธรรมปัจจุบันท่านบุมเอู่ทั้งหลายก็ที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าบุคคลไม่ควรกำหนิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดังนี้นั้นข้าพเจ้าทราบเนื้อความโดยรายละเอียดอย่างนี้ก็แล่ท่านทั้งหลายหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าปราผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงพยากรณ์แก่ท่านทั้งหลายอย่างไรพวกท่านก็พึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นกันนันแหละิสูจเหล่านั้น ยินดีอนุโมทนาภาสิทธ์กอนท่านพระมหากัจจานะลุกจากอาสนะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นการพระผู้มีพระภาคแระได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะ จำแนกเนื้อความแก่พวกข้าพระองค์ด้วยอาการดังนี้โดยบทดังนี้โดยพี้ยนชนะ ด, ดังนี้พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากาจานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกับเราเราก็จะพยากรณ์นเนื้อความนั้นอย่างเดียวกับที่มหากาจานะ อย่าก่อนแล้วเหมือนกันก็นแลเนื้อความของอุทเทศกึ่งหัวข้อนั้นเป็นดังนี้แหละพวกเธอจงทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิดนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีในภาสิ ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละเรื่องผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ที่ขยายความโดยต่านพระมหากจานะหรือมหากจานะพัทเทกรัตตสูตรจบพระสูตรที่4เรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญโดยพระโลมะสกังกิยะหรือโลมะสกังกิยพะพัทเทกรัตตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อก็ที่565 ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันส่วนท่านพระโลมาสะกังคียะอยู่ที่วิหารนิโครธารามในเขตเมืองกบิลพัทในส ก, กะชนบทครังนั้นแลปะปฐมยามล่วงไปแล้วจันทเทวบุตรมีรัศมีงามอย่างยิ่ง ทรงบราวิหารนิโครธารามนั้นให้สว่างไปทั่วได้เข้าไปหาท่านพระโลมสักังกิยะถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าท่านภิกษุท่านทรงจําอุเทศและวิพังเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมท่านพระโลมสักังกิยะกล่าวว่าท่านบูมีอายุเราทรงจําไม่ได้หรอกก็ท่านทรงจําได้หรือ นภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้และท่านทรงจำคาถาแสดงผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมภิกษุโลมะสกังกิยะท่านผู้มีอายุเราก็ทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือจันทาเ ต, ตวบุตรท่านภิกษุข้าพเจ้าทรงจำได้ภิกษุโลมะท่านผู้มีอายุก็ท่านทรงจำได้อย่างไรเล่า ตันตาเทวบุตรท่านภิกษุก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบรรทุกําพลศิลาอาจ์ที่ข่วงไม้ปาริชชัตตะกะในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาในชั้นดาวดึงอย่างนี้ว่า บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันลไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นต้นท่านภิกษุ ข้าพเจ้าทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศคือหัวข้อและรายละเอียดของบุรุษผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะว่าในเรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรมจรรย์ดังนี้จันตะเทวบุตรลาดัง น, นี้แล้วก็อันตรธานหายไป ในที่นั้นนั่นเองกระนั้นแหละเฮนระโลมาสากังกียะพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาดจีวรมุ่งจาริกไปอย่างพระนักขรสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้กราบทูลเรื่องที่เทวดาตนนั้น มากล่าวข้อความนั้นและได้กล่าวต่อไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงอุเทศและพิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ข้าพระรงองค์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทวดานั้นหรือไม่ท่านพระโลมาสกังกียกราบดุลว่า ข้าพระองไม่รู้จักเลยพระเจ้าค่าภิกษุเทวดานั้นชื่อว่าจันทะจันทะเทวบุตรย่อมมุ่งประโยชน์ใส่ใจเอาใจฝากฝ่ายสิ่งทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมะภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงยก อุเทศและวิพังในเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษตนี้แล้วท่านพระโลมาสักังกิยะจึงชื่นชมยินดีในภาษตของพระผู้มีพระภาคแหละโลมาสักังกิยะพระเทกรัตตสูตรจบฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ